รายได้จากของแถมและสินค้าแลกฟรีใน l o ยัตี้โปรแกรมมีผลิตภัณฑ์แถมฟรีแลกฟรีเมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม for l i ไ e ต์รอยตี้รับส่วนลด 15% ในรูปแบบของคะแนนสะสมเพื่อแลกผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบแบบฟรีฟรีและเมื่อคุณซื้อสินค้าเกินกว่า125อลพต่อครั้งคุณจะได้รับสินค้าแถมประจาเดือนฟรี โดยจะรับในการสั่งซื้อของเดือนถัดไปผลิตภัณฑ์แถมผลิตภัณฑ์ฟรีมันคือกำไรของคุณดีๆนี่เอง